กลับนวัต ก, การหลวงพ่อแล้วก็กลับนวัต ก, การพระจันทร์พสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อ น, นกระยาดันมีทุกท่านค่ะก็จากที่ฟังวันนี้มีความแจมแจ้งแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นก็คือก็เดลรู้ว่าธรรมชาติมีสองแบบเป็นธรรมชาติที่ปรากฏและธรรมชาติที่ไม่ปรากฏค่ะธรรมชาติที่ปรากฏมันก็จะมีความเกิดแล้วก็ความดับสิ่งนี้มันจะสถิตอยู่ใน ร่างกายหรือสังขารมนุษย์และสัตว์ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติไม่ปรากฏแต่เราจะโดยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับมนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะก็จะติดกับดักอยู่ตรงนี้ค่ะวาวนเวียนแต่นักปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่ไม่ปรากฏค่ะขออภัยค่ะนักปฏิบัติจะปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองอหลุดพ้นจากธรรมชาติที่มันปรากฏ ดังนั้นบางทีมันจะมีแบบบททดสอบนู่นนี่นั่นมากมายบางทีหลงติดนู่นนี่นั่นนะคะแต่หลวงพ่อบอกว่าก็ต้องใช้ปัญญาในการที่เราจะแบบพิจารณาไตรตรองให้แบบรอบ ด, ด้านเลยเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงปัญญาเท่านั้นที่จะทาให้เราเข้าถึงความจริงที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏะคะแล้วเมื่อเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรากฏแล้วตรงนั้นนะคะเราก็ เหมือนกับว่าเราก็หลุดพ้นจากทุกๆความทุกทั้งหมดนะคะเพราะหากว่าตาบใดที่ยังแบบยังอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏนั่นก็ยังคงที่จะมีทั้งความทุกข์และก็ความสุขเกิดดับสลับกันไปอยู่ดีอะคะ่ะแต่ถ้าเราแบบปฏิบัติฝึกฝนแต่ตรองพิจารณาตัวตัวเราเองด้วยด้วยด้วยสติปัญญาของเราะคะ่ะ เราเราจะไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตรงนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่มันมันมันมีอยู่แล้วมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับแต่คือมันมีอยู่แล้วรอเพียงให้ผู้ปฏิบัตินะคะที่จะรู้ถึงตรงจุดตรงนี้ค่ะดังนั้นก็เลยตรงนี้จีน่าก็เลยมีความเข้าใจอย่างแจ่แจ้งตรงนี้ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะนุโมท่อธนากับสาธุน ะ, ะนี่มาผู้มีปัญญาก็ เห็นตามได้แล้วก็มันสว่างใจอ่ะมันจะโลง่งมันทะลุทะลวงแล้วมันเห็นชัดเจนแต่ว่าผู้ที่ไม่เข้าใจก็อาศัยนี่แหละอาศัยคือการการฟังนะแต่ฟังอย่างเดียวมันก็ไม่พอจะต้องไปสังเกตสังเกตความจริงที่มันปรากฏในแต่ละครั้งแต่ละขณะเนาะหลวงพ่อบางทีใช้คําพูดว่าการที่จะให้เห็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยให้ใช้แบบสังเกตจากจุดตัดกันก่อนจุดมันตัดกันอนะ่ะเช่นสมมติว่า ณตอนนี้นะณตอนนี้สมมุติว่าความโกรธไม่มีเอาความจริงก็ได้ตอนนี้ไม่มีใครโกรธเห็นไหมซึ่งมันรู้ได้นะว่าความโกรธไม่มีถูกไหมความโกรธเป็นสิ่งอาการเป็นอาการที่เคยเกิดและก็มีสัญญาจําได้ว่าความโกรธเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความรู้เนี่ยที่มันรู้จริงมันรู้ได้นะว่าความโกรธไม่มีถูกไหมเออเพราะฉะนั้นไอความรู้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ความโกรธแต่มันเป็น เป็นธรรมชาติรู cat, ้พอความโกรธเกิดขึ้นมันก็รู udible, ้ได้ว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วนะโกรธเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ได้แต่ธรรมชาติรู้มันไม่ได้โกรธด้วยเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่ละอย่างมันจึงรู้ชัดรู้แจ้งว่าโกรธเพราะนั้นความโกรธเกิดขึ้นมันก็รู้ความดับความโกรธดับแล้วมันก็รู้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่เคยพูดว่าความโกรธเกิดแล้วความดับเกิดแล้ว ถ้ามันลองพูดดูสิมันก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติรู้แต่เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งแล้วก็ถูกรู้ถูกรู้ด้วยธรรมชาติรู้อีกชั้นหนึ่งอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นจริงๆนะถ้าลองสังเกตอย่างนี้โอ้มันใช่เนอะมันรู้รอบไปหมดเลยไม่กระทั่งตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวเราทั้งตัวที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยมันก็ยังรู้อยู่ว่าเราเนี่ยกำลังทําอะไรอะ่ะเราพูดเราคุยเรานั่งฟังเรายืนฟังเราเบื่อเราง่วงเราไม่เข้าใจ เรางงมันรู้เราทุกเรื่องเพราะฉะนั้นธรรมชาติรู้จึงไม่เป็นเราเพราะเราคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งถูกรู้เมื่อเข้าใจ อ, อย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้ ว, ว น, น, นะญญก็สิ่งที่เหลืออย่างนีเสียนะครับก็<อ>ไม่เสียเลยก็ค่อยขวางซ้ําแล้วกันนะหลวงพ่อบันทึกเสียงข้างนอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเหมือนกัน อ่าหลวงพ่อต้องใช้วิธีออกใหม่ๆและเข้ามาอีกหรือว่าสัญญาณตอนนี้อาจจะไม่สเสถียรนะครับก็ถือโอกาสได้แสดงความเห็นหรือว่ามุมมองเพิ่มเติมนะครับหลวงพ่อไม่ทราบหลวงพ่อได้ยินไหมครับอ่าได้ยินอยู่ได้ยินใช่ใชคือว่าสาหรับคนมาใหม่ๆเนี่ยครับหรือว่าเป็นออเดียนที่มาใหม่ๆเนี่ยครับไอ้ความรู้อย่างนี้นครับมันมีประโยชน์มากจริงๆถ้าเราศึกษาพระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมขาคารนะครับ แล้วเราจับต้นชนไปลายไม่ถูกแน่มันเยอะแต่ถ้าให้เราเห็นทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นคำพูดคาจาทั้งขันห้าและทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้ครับมันเป็นส่วนของสังขารขันมันเป็นส่วนของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ในส่วนของที่เป็นวิสังขารหรือเป็นส่วนของธรรมะที่มันไม่ปรากฏนั้นมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีธรรมชาติมารู้โดยธรรมชาตินี้พูดไม่ได้ ปุบ ม, มาเหมือนคนที่เป็นใบ้นะครับพูดไม่ได้แต่ธรรมชาติที่เป็นสังขารพูดได้บอกได้เล่าได้อธิบายได้แม้อ ย, อยาที่ไปยังไงก็มันเป็นความรู้ปลอมๆ ม, มันคะ่ะ hmm. ไม่ไม่ใช่ความรู้จริงแล้วถามว่าตรงนี้มันจะมันมีประโยชน์ยังไงที่สําคัญมันมีความความรู้อย่างนี้นะครับมันพ้นเวียนว่ายตายเกิดยังไงอะ่ะตรงนี้สําคัญมากเลยครับก็คือว่าหลายๆคนนี้เขาก็เบื่อนายใคร กับการเกิดวนเวียนไปอย่างนี้ทั้ ง, ท, ง, ท, งทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่จะต้องวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่รู้จักจบสิน้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าสภาพธรรมารถที่เป็นธรรมชาติของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเขาจะไปมองว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นคือตาย จ, จากคนนี้แล้วก็เมื่อเมื่อตายจากคนนี้ก็ไปเกิดเป็นเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คืออาจจะต้องวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดไม่แต่เขาไม่เห็นว่า นี้นะครับมันมีประโยชน์เขาไม่เคยรู้ว่าความรู้แบบนี้มีประโยชน์มากที่จะทาให้เห็นว่า ค, ความรู้อย่างนี้มันพ้นจากการเรียนไหวตายเกิดได้ซึ่งตรงนี้สำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่เคยเข้าใจว่าตัวเราที่เคยรู้ทุกอย่างนะครับเรารู้นูน่นเรารู้นี่เรารู้นั่นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้กลายเป็นสภาพที่ที่กลายเป็นอารมณ์หรือกลายเป็นสภาพที่เป็นเราถูกรู้เสียแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเรา เพราะว่าถ้าไม่มีเราเสียแล้วมันจะมีอะไรอีกในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยครับไอ้สภาพธรรมะที่เกิดดับก็ดีสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ก็ดีสภาพธรรมะที่เป็นขันธ์ห้าก็ดีหรือสภาพธรรมะที่ที่ปรุงแต่งก็ดีอยู่ในฝ่ายที่ที่กล่าวมาทั้งหมดเลยคือปรากฏส่วนธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นธรรมชาติที่มารู้เราคืออีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ปรากฏซึ่งจริ่งไปหาก็มีความเป็นเราไปหาไม่มีทางพบหรอกครับแต่ให้เราได้มีโอกาสได้ ไดเรียนรู้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ในเวลาอันสั้นแต่ครอบคลุมที่สุดกว้างขวางที่สุดได้ลึกซึ้งที่สุดครับครับกับขอบพระคุณหลวงพ่อครับที่เมตตาให้ได้ความรู้แบบนี้ขึ้นมาครับก็อย่างนั้นแหละมันรัดสั้นถึงว่าหลวงพ่อเนี่ยใช้คําว่าพ้นทุก์ในปัจจุบันขณะ พ, นะพ้นทุก์ในปัจจุบันขณะก็คือเดี๋ยวนี้ถ้า มันก็อยู่ที่ความเข้าใจนะอืถ้าเข้าใจเนี่ยก็คือพ้นทุกข์จริงๆไงเพราะว่าไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่สังขารแต่ความเป็นเรามันมันไม่มีไงเออบางคนสงสัยว่าก็มันยังรู้สึกว่าเป็นเราไงเออเนาะบางคนบอกเนี่ยเนี่ยยังยังรู้สึกว่าเป็นเราเลยหลวงพ่อบอกว่าความรู้สึกมันคืออะไรอ่ะความรู้สึกคือเป็นสิ่งที่ปรากฏเวลานอนอะ่ะไม่เห็นมันมีความรู้สึกเลย แต่พอบางครั้งบางคราวเนาะมันก็เป็นรู้สึกว่ามีเรามีเราเรายังมีทุกเรายังออกจากทุกไม่ได้อันนี้มันก็คือสังขารก็แค่รู้มันไงว่าไอความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสังขารที่กําลังปรากฏเห็นไหมคือใช้หลักรู้อย่างเดียวอ๋อมันกําลังปรากฏก็ก็คือรู้มันไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่รู้มันว่าคือมันต้องรู้ด้วยปัญญาว่าอ๋อไอความรู้สึกนะนะมันก็เป็นสังขารที่เพิ่งเกิดแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงดับไป มันดับไม่ดับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้แต่รู้นะมันดับก็รู้มันยังไม่ดับก็รู้เห็นไหมไอ้รู้นี่แหละนั่นแหละคือมันเป็นเป็นพุท ธ, ธะมันเป็นมันเป็นความรู้ที่หลุดไปแล้วพ้นไปแล้วเพราะมันเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะแต่ทีนี้เอ่อเดี๋ยวบางทีเรื่องพวกนี้บางทีเราจะเอ่อก็เรียกว่าเวลาจะแก้ปัญหาให้กับญาติโยมอะนะคือ ยิ่งโยมถามเนี่ยมันดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าถามแบบไม่ฟังคือเมื่อถามแล้วจะ ต, ต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่ถามแล้วหลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าคณะปัจจุบันที่ถามเนี่ยเห็นได้ไหมรู้ได้ไหมว่ามันมีผู้ถามอยู่นะมันมีผู้ถามไงถ้าเห็นผู้ถามก็จะรู้เลยว่าผู้ถามเนี่ยคือเป็นสิ่งถูกเห็นคือมันเป็นสังขารใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่เห็นผู้ถามดิเขาก็มตถามเขาบอก ตัวตนคนไม่มีหรอกไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีผู้ถามอ่ะถ้าพูดอย่างนี้เสร็จเลยไม่ได้เห็นคือมันไม่ได้เห็นไอ้ความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนไงแต่ถ้าเราชีน้นะบอกว่าอ๋อเนี่ยรู้ทิใครเป็นคนถามมารู้ได้ไหมว่ามีผู้ถามถ้าเขาบอกอ๋อมีผู้ถามเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เลยว่ามีผู้ถามตอนนี้รู้แล้วว่ามีผู้ถามนี่แสดงว่าเริ่มเริ่มเก็ดแล้วแล้วก็ให้คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะชี้ในสิ่งที่เขากําลังคุยนั่นแหละ ให้เขาเห็นว่าไอ้ที่เขาคุยไปเนี่ยมันพลาดไปแบบไหนเช่นสมมติว่าอย่างเมื่อกี้นะที่ยกประเด็นเรื่องผู้ถามนะพอเราบอกว่าเอารู้ไหมว่ามีเราเป็นผู้ถามถ้าเขาบอกว่ารู้แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าโอ้หนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องชี้อีกเห็นไหมมีหนูอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้ไปยึดความเข้าใจว่าเป็นหนูเนี่ยเห็นไหจริงๆมันมีแต่ความเข้าใจนะ แต่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าหนูเข้าใจนั่นน่ะนึกออกไหมมันมีเอาตัวเราไปไปรองรับความเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจเนี่ยถ้าผู้มีปัญญาปั๊บพอชี้อย่างนี้ปั๊บมันจะพริกทันทีเลยว่าโอ้เมื่อกี้หลงอีกแล้วหลงว่าเป็นเราเป็นหนูอีกแล้วแล้วก็ให้เขาฟังต่อไปพอต่อไปเนี่ยเขาจะรู้เท่าทันมากขึ้นแล้วพอจะพูดอะไรปั๊บเขารู้ทันทีเลยว่าอ่ามันมันจะพูดอีกแล้วมันจะพูดกลายเป็นว่ามันไม่ต้องพูดแต่รู้อยู่อย่างเดียวรู้อย่างเดียวเวลามันจะพูดก็รู้แล้วมันไม่พูดแล้วก็รู้ เวลามันมีแรงผลักดันจะพูดก็รู้เวลามันแผ่วมันคลายก็รู้อย่างเนี้ยเริ่มเรียนรู้ว่าโอการรู้นี่เนาะคือมันเป็นผู้ดูเหมือนกับดูหนังดูละครเลยอะไรเกิดขึ้นตัวละครตัวไหนเกิดขึ้นก็รู้รู้แต่ตัวรู้เนี่ยมันไม่พูดไงแต่ถ้าลองพูดเมื่อไหร่มันก็ถูกรู้อีกก็เลยแยกเป็นว่าเออเนาะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงอ๋อนี่ผู้รู้เขาเคยบอกมาแล้ว บัตรนี้ได้พบของจริงแล้วว่าไอ้ที่พูดได้นะมันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ผู้รู้จริงมันได้แต่รู้มันไม่พูดถ้าพูดเมื่อไหร่อ่ามันก็เป็นผู้รู้ปลอมอีกแล้ว<อ>ก็นี่ไงตอนนี้มีสติตั้งมั่นเนี่ยดูรู้อยู่แค่นี้แล้วก็จะเรื่พัฒนาได้เร็วมากเลยอัตราตัวตนก็จะลดน้อยลงเพราะว่ารู้เท่าทำสังขารแต่คนใดก็ตามท่าชี้แบบนี้ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมนั่นแหละความเป็นอัตราตั ว, ต, วตนมันไปบงัง เพราะว่ามันมันไม่ยอมไงมันไม่ยอมมันจะมันจะอย่างนั้อย่างนี้อย่างอย่างเมื่อเหตุการณ์เนี่ยที่ที attend. ่ที่ผ่านมาเนี่ยไอคนฟังเนี่ยเห็นมเมื่อวานเนี่ยโยมเพลินใช่โยมเพลินบอกว่าเป็นผู้เห็นโยมโยมจอมเป็นจอพงคุยกับอีกท่านหนึ่งซึ่งเขาก็แสดงสังขารเนาะแสดงให้ดูแสดงให้ดู แต่โยมเพลเนินเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้แสดงด้วยก็เห็นแจ้งขึ้นมาว่าโอ้มันมีแต่สังขารทั้งนั้นเลยอมมีแต่สังขารมีแต่สังขารเห็นไหมถ้าเป็นผู้ดูเนี่ยเห็นไหมมันไม่เข้าไปเป็นพูดเป็นไงเออทีนี้อันนั้นก็คืออีกหมายถึงว่าที่โยมเพิินเล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องของตัวเองก็คือว่าให้เห็นภายในตัวเองว่าเวลามันพูดเวลามันบน่นเวลามันสงสยัยเวลามันถามก็เหมือนกับตัวละครอนะที่มันออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวแสดงให้ดูแล้วก็ดูมันไปดูแบบเล่นไปอย่างนละ อย่างเงี้ยมันก็พัฒนาได้เร็วแล้วก็จะเห็นแต่ว่ามีแต่สิ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับบนไหนบนมันก็เกิดดับบนความไม่เกิดดับนั่นแหละเพราะความไม่เกิดดับมันเป็นพื้นใช่ไหมมันเป็นแบ็กกราวที่เป็นมันมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วไงแต่สิ่งเกิดดับน่ะเกิดดับเกิดดับยนบนไหนก็บนบนความไม่มีนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นความไม่มีเนี่ยคือวิสังขารเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะแต่มันไม่ปรากฏส่วนสิ่งปรากฏก็เกิดเกิดดับดับอยู่นั่นแหละ มันก็เกิดดับบนความไม่มีบนความอย่างเงี้นยน่าจะเข้าใจได้อะออ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อที่ันชื่อชื่ออ้วนค่ะที่น้องเพลินได้กล่าวถึงนะคะคือก่อนหน้านี้ที่ฉันก็ศึกษาพิธรรมมาประมาณปีนี้ปีที่ห้าแล้วค่ะคก็มีความเข้าใจบ้างนะคะว่า จริงแล้วสังขารขันที่ปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นการตามเหตุตามปัจจัยซึ่งก็เกิดจากกันที่จิตซึ่งปณิรธรรมทั้งสี่ก็มีจิตเจสิกรูป น, นิพานแต่นิพานเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราก็เห็นแต่ความที่เป็นปัจจุบันก็แค่จิตเจสิกรูปที่ปรุงแต่งกันเกิดขึ้นนะคะวันหนึ่งต้องเพลินได้ส่งไฟเสียงของท่าน หลวงพ่อออส ไ, ไปให้ฟังแต่ดิฉันเองก็ยังเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ฟังนะคะเพราะว่ามีภาระาต้องดูแลหลานอยู่ก็ประมาณเป็นอาทิตย์ถึงได้ได้ฟังนะคะแล้ววันหนึ่งก็พอฟังแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดิฉันเองนะคะก็คือเข้าไปในกลุ่มของมีการสนทนาธรรมเล็กๆในกลุ่มของอกลุ่มของ ที่การสุนันทาเกี่ยวกับอภิธรรมเนี่ยค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าขณะนั้นเดียวนั้นเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยเกิดโทสะเกิดขึ้นกันขัดเครืองเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นแต่ความที่ระลึกได้ว่าระลึกคําของที่หลวงพ่อท่านเก่าวไว้ว่าที่จริงแล้วอะไรที่เกิดกับเราเนี่มันคือสังขารขันปูงแต่งขณะนั้นเองนะคะมิฉันระลึกได้อย่างนั้นปั๊บ ขณะที่การขุนเครืองนั้นก็ดับลงดับลงเลยนะคะแล้วแล้วมันเป็นสภาวะรมที่เร็วมากค่ะหลวงพ่อพูดไปก็ยังขณะที่พูดเดี๋ยวนี้ก็ยังช้าช้ากว่าเลยดับแล้วเบาขนาดนั้นเบาเบามากเจ็ดคนที่ฉันเบามากอะคะ่ะก็เลยอ๋อก็เลยอ๋อเลยนะคะขณะนั้นอ๋อเลยและพอเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นอีก พอวันหลังก็ไปฟังในกลุ่มของที่การสนทนาธรรมอภิธรรมอีกขณะคนที่คนที่พูดคนเดิมเนี่ยคือบอกตรงๆว่าเขาพูดไม่ค่อยตรงในความรู้สึกของดิธันนานะไม่ตรงก็มันเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเราก็เลยขัดเคืองแต่พอวันหลังที่มีการฟังอีกแต่อารมณ์นั้นดิฉันก็ไม่เกิดอีกเลยค่ะจนบัดนี้นะคะดิฉันก็ทุกวันนี้ก็ยังฟังอภิธรรมอยู่นะคะเพราะว่าดิฉันถือว่า อภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ก็เข้าใจได้นะคะเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเราร่างกายของเราเนี่ยเกิดเป็นเพียงสั ง, สงขารขันปุงแต่งแค่นั้นเองค่ะนะ ะ, นะะแต่นี้พอได้ฟังคำกล่าวของท่านหลวงพ่อออสเนี่ยก็เหมือนเป็นการขมวดความรู้ทั้งหมดให้รัดสั้นแลวตรงเลยค่ะหลวงพ่อ นะคะอันนี้คือเหตุการณ์จริงที่เกิดกับที่ฉันนะคะ่ะก็ประมาณนี้นะค่ะกาบบุกคลกาบมุทนาค่ะหลวงพ่อค่ะอโอเคนะมุทนาค่ะอ่าสาธุก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้เพราะว่าธรรมะเนี่ยมันจะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆนะตามพฤติกรรมตามเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยก็จะพูดถึงเห็นความดับเนาะเห็นความดับของอารมณ์ เห็นความเกิดของความเห็นความความดับเนี่ยเออเห็นตรงเนี้ยหลวงพ่อจะชี้ให้ว่าผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่เห็นความดับเนี่ยผู้รู้อันเนี้ยเป็นผู้รู้ที่พูดได้ปรุงแต่งได้ทำไมจึงเรียกว่าผู้รู้นี้เป็นผู้รู้ที่พูดได้ที่ปรุงแต่งได้ก็เพราะมาพูดให้หลวงพ่อฟังไงนะเพราะฉะนั้นให้พบเลยว่าไอ้ผู้รู้ที่พูดได้ที่ปรุงแต่งได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นรู้ตัวปลอม เพราะว่ามันเป็นสังขารอยู่ยังเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวเรานั่นแหละว่าไปแล้วะนะเออตัวที่ไปรู้ว่ามันมีการเกิดการดับเนี่ยมันก็คือเป็นตัวรู้ปลอมพอเป็นตัวรู้ปลอมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จักว่าไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นสังขารกลายเป็นว่ามีตัวเราเป็นผู้เป็นผู้รู้ในเรื่องของความเกิดดับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้เรานะรู้เราเสียว่าอ๋อไอตัวเราที่เป็นผู้รู้นี่โธ่มันก็เป็นสังขารใช่ไหม นี่แหละก็เรียกว่าดับสังขารดับดับวินดับตัวผู้รู้เพราะจริงๆผู้รู้ก็คือวิญญาณ น, นั่นแหละวิญญาณที่คือเรียกว่าเป็นจิตทํางานกับเจตสิกใช่ไหมรู้อะไรมาจําได้พูดได้มีความรู้สึกไดออ้ก็คือมาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ให้รู้เลยว่าไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดตัวนี้มันก็คือตัวสังขารเห็นไหมเท่ากับว่ารู้เราแหละพอรู้เราเห็นไหมมันก็จบจบจากความเป็นเราเพราะตัวเราถูกรู้ไปแล้ว เดี๋ยวก็อยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวมันก็มีตัวเราเกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมก็รู้ทันอีกแล้วไปเล่าโน่นเล่านี้อ่าตัวเราเป็นผู้รู้ปลอมอีกแล้วเล่าอีกแล้วก็รู้ทันแต่รู้ทันเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดเล่านะก็คือเล่าเป็นปกติแต่ก็ให้รู้อยู่ว่าโอ้ที่กําลังเล่าที่กําลังพูดเนี่ยโตมันเป็นรู้ปลอมทั้งหมดเลยทําไมจึงเรียกว่ารู้ปลอมเป็นภาษาสมมุติเพื่อแบ่งแยกให้เห็นว่ารู้ปลอมเนี่ยคือมันรู้แล้วก็ปรุงแต่งได้มีการเกิดดับ แต่รู้จริงเนี่ยคือเป็นธรรมชาติที่รู้ที่รู้ตัวปลอมธรรมชาติ น, นั้นแหละเป็นความไม่เกิดไม่ดับเป็นความที่พ้นไปแล้วจากสังสารวัตเอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือชี้เพื่อให้ต่อยอดสูงสูงขึ้นคนอื่นก็ฟังตามก็สามารถที่จะต่อยอดไปพร้อมๆ อ, มอมกันได้ครับหลวงพ่อครับพอดีว่าได้เกื้อกูลกับน้องจีน่านะครับอานิสราซึ่ง มาไม่กี่วันก็มีประโยชน์คือน้องเขาก็สามารีมีพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีมากเลยครับว่าคือช่วงแรกๆ ก, ก็จะมีความรู้สึกว่าเออจะต้องฝึกฝนหรือว่าพัฒนาหรือเพิ่มทักษะที่จะที่จะไปไปรู้เราแต่ตรงเนี้ยผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเราไปไปไปทําอยู่ไปไปเพิ่มไปฝึกฝนไปไปพัฒนาไปอะไรมันก็เป็นเราไปทําอยู่ซึ่งตรงเนี้ครับอยากให้น้องได้ได้ทําหลวงพ่อว่า ไอตอนที่มามามาฟังพวกพี่ๆ พ, พูดกันนั้นมีความเข้าใจยังไงถึงถึงเรื่องของไอรู้เรากับเรารู้นี่ครับได้เกื้อกูลอีกนิดหนึ่งครับก็ปกติตัวตัวจีน่าก็ฝึกฝึกอยู่แล้วฝึกที่จะเข้าถึงฝึกที่จะเข้าถึงสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคะ่ะทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่ตัวรู้กับตัวผู้ถูกรู้อะคะ่ะ แล้วก่อนหน้านั้นก็คือเหมือนเคยที่จะยึดติดด้วยค่ะยึดติดรู้เพราะเหมือนกับรู้เนี่ยมันก็จะเป็นรู้ที่จะไปรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ก็คือตัวอวิชชาใช่ไหมคะแล้วตัวโดยส่วนตัวเจน่าเองก็เป็นทั้งโพสต์และรู้ในการทําแบบเกี่ยวกับเอออายยาบําบัด่รความเห็นผิดในจิตใต้สํานึกอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนตอแรกเข้าใจว่ารู้ตรงเนี้ยค่ะเกือบจะยึดติดเอาไว้โดยที่จะไม่ปล่อยวาง เสร็จแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้มาคุยกับพระจันทร์พลหลวงตานะคะก็ท่านก็พยายามเหมือนดึงให้ออกจากแบบตัวรู้ตัวตัวรู้ที่มันวนเวียนในสังขารนะคะเสร็จแล้วก็ได้มาคุยกับอาจารย์อาจารย์จอมแล้วก็มาฟังบทสนทนาในกลุ่มเสร็จแล้วมันก็มีคําถามอันนึงที่ฉกคิดว่าแบบเหมือนเหมือนกระตุ้นให้เราแบบพิจารณาค่ะว่าตอนที่พูดเนี่ยใครกําลังพูด เราก็เราก็ถามตัวเองว่าเราก็หยุดก่อนนะค่ะไม่ได้โต้แย้งหรือต่อต้านอะไรก็คือถามว่าเออจริงใครกําลังพูดก็เราพูดไงอ่ะแล้วแล้วใครที่กําลังดูหรือเห็นหรือรู้ว่าเรากําลังพูดตอนแรกก็ยังงงๆนะคะแต่เราก็เข้าใจว่าเราคิดว่าเรารู้แล้วว่าอ่าอ่ามันมีธรรมชาติที่แบบเหมือน เหมือนเห็นเราอะค่ะแต่ยังไม่ไ ด, ยไได้ยังไม่ได้เข้าสู่สภาวะตรงนั้นจริงๆนะคะแต่พอพอพออาจารย์จอมาฉูกคําถามว่าใครที่กําลังเห็นเราอยู่รู้เราอยู่ที่กําลังยืนเดินนั่งนอนนะคะตรงเนี้ยเราจะน่าได้ยินก็เลยนํามาพิจารณาดูแล้วก็อ๋อมันก็แบบเหมือนสภาวะอ๋อมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอจากไี่ยินคําพูดตรงนี้ยค่ะคําถามคำเนี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่จะเตือนตัวเราเองมันเหมือนเข้าใจอะมันเหมือนหลุดหลุดออกจากความเป็นเราอะค่ะแล้วเราก็เลยได้ขึ้นไปเหมือนมองตัวเราเองอะมองเห็นมองเห็นสิ่งที่ที่เป็นเราอะค่ะมันเหมือนกับแล้วทีนี้ก็เลยฝึกสิ่งเนี้ยมาเรื่อยๆในแต่ละวันรู้สึกฝึกอยู่สองสามวันนะคะแล้วจนการฝึกก็เลยมันก็เลยจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น เริ่มรับรู้ได้มากขึ้นว่าอ๋อเวลาที่เรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยเราเราก็แบบในขณะที่เรากําลังทุกข์อยู่อ่ะมันมีความทุกข์เกิดดับอยู่แล้วอะค่ะแต่บางทีเราก็หลงหลงโดยที่มันมันเหมือนเพิ่งเริ่มเข้าใจในในธรรมะชั้นสูงตรงเนี้ยค่ะพอเราเริ่มฝึกปึกพอมันมีความทุกข์ปรากฏขึ้นในสังขารล้วก็ขึ้นไปอยู่ในธรรมชาติที่พิจารณามองเห็นตัวเราอะค่ะความทุกข์มันก็เลยจึงหายไป มันก็เลยจะตอบความเข้าใจตอบย้ำความเข้าใจได้มากขึ้นว่าอ๋อสิ่งนี้ยมันก็คือเหมือนเป็นการปรับกรรมตัดขาดจากกรรมเพราะเราจะรู้เลยค่ะว่าไอสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราไปรู้ว่าเราทุกเราไปแบบไปหลงไปอยู่กับตรงนั้นแล้วพยายามที่จะแก้ทุกมันก็ยังคงเป็นเราไปแก้ความทุกตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเราแบบ ขึ้นไปพิจารณาดูดูว่าเรามันไม่ใช่เราตรงนั้นนะคือมันตัดชึบแบบความทุกข์มันก็ไม่มีเลยอะค่ะตรงเนี้ยก็เลยได้ได้เป็นประโยชน์อย่า ง, ย, างยิ่งอะค่ะก็ต้องขับกับขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาค่ะก็สาธุนะนี่คือจากผู้มีประสบการณ์ตรงได้เห็นความแตกต่างระหว่างตอนที่เขาเรียกว่า เห็นความแตกต่างระหว่างความแตกต่างคือก่อนหน้านู้นกับปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วเมื่อก่อนเนียเคยเข้าใจอย่างนู้นอย่างน้้นอย่างน้ น, น, นบัดนี้มันเป็นความเข้าใจใหม่แล้วเป็นการเห็นแจ้งรู้จริงมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องของปัญญาที่ได้อ่ามีการพัฒนาเนาะซึ่งการพัฒนาหรือปัญญาทั้งหมดมันก็คือเป็นเป็นเรื่องของเอ่อก็เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแหละว่าไปแล้ววันนะเออ ทีนี้การที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือประโยชน์นะประโยชน์การที่เราเปิดใจเปิดใจฟังอย่าเพิ่งเอาความรู้ของตัวเราที่เคยมีมาก่อนหนะ้านั้นเนี่ยเป็นเครื่องขวางกัน้นต้องเปิดก่อนไม่ว่ารจะไปฟังอาจารย์องค์ไหนนะต้องเปิดฟังก่อนแล้วพิจารณาแต่ถ้าไม่ไปฟังนะเหมือนกับแหมเอาดาบมาฟันฉบฉกฉจนเราพูดไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องต้องยอมเหมือนกันบางครั้งนะ ทีเนี้ยมันก็ใช้หลักนี้แหละหลวงพ่อก็เคยใช้หลักก็คืออย่างนี้แหละถ้าจะไปฟังใครต้องฟังอย่างเดียวฟังฟังวั ง, งพิณาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ฟังส่วนความรู้ของเราที่เคยมีเนะี่ยขณะที่ฟังเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเออแล้วก็เมื่อฟังแล้วต่อตรงไหนที่มันเก็ตนั่นแหละตรงนั้นแหละก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เอามาใช้งานเลยเอามาใช้งานแล้วก็เพียนกัดติดจดจออยู่ทางเนี้ยแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นได้เองนะ ก็ที่ฟังมาของโยมจีนหน้าก็โอเคแล้วแหล ะ, ละเป็นทางเดินที่มุ่งสู่ทางพ้นทุกข์นะแล้วก็มีความเพียรก็คือสังเกตสังเกตเนี่ยสังเกตอย่างเนี้ยแล้วก็คําพูดของเราเองนี่แหละตัวเนี้มันจะเป็นทําให้ก็เรียกว่ามันมันขัดขาตัวเองอนะเนาะทำให้ลม้มลงเช่นเช่นบอกว่าวันเนี้ยโอ้หนูเข้าใจเยอะเดี๋ยวกลับไปหนูต้องไปทําความเพียรต่อ คำพูดอย่างนี้มันหมายความว่าไงก็หมายความว่ายังมีตัวเราที่จะไปทําต่อแต่ถ้ารู้ทันปับ๊บโอ้นี่มันเป็นสังขาร น, นี่มันไม่ใช่มันเป็นสังขาร น, นี่ที่ปรุงคิดขึ้นมาอย่างนั้น่ถ้าไม่เห็นก็เสร็จมันก็คือเป็นเราแล้วก็เราก็ไปปฏิบัติแต่ถ้าเห็นปับ๊บเห็นว่ามันเป็นสังขารและความเป็นตัวเราก็หายไปพอความเป็นตัวเราหายไปปับ๊บก็ไม่มีเราต้องไปปฏิบัติแต่การเดินการนั่งการนอนการพิจารณายังมีเหมือนเดิม แต่เข้าใจด้วยทองแท้เลยว่าไอ้ผู้พิจารณาก็ดีไอ้โยนิโสมนสิการก็ดีไอผ้ผู้ต่างๆโอ้มันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมบางคนสงสัยบอกว่าเอาเมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่ต้องทําอะไรดิเราบอกว่าเออตัวเราจริงๆมันไม่มีมันไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วแต่สังขารมันยังต้องทําอยู่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปบังคับสังขารเพื่อไม่ให้ทําก็ให้มันทำเป็นปกติแหละก็เรียกว่าเออไปทําในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องแบบสมมตินี่แหละ พูดดีทำดีไม่ทำชั่วไม่ทำผิดศีลผิดทรรมไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องไปทำแต่ให้พึงเข้าใจด้วยปัญญาว่าไอ้ที่มันทำทำมันเป็นรูปธรรมนามธรรมมันไม่ใช่เราทำแค่เนี้เนี่ยมันก็เป็นพ้นทุกข์ในปัจจุบันอยู่แล้วออ่ะเข้าใจถูกแบบเนี้ยชัดเจนเลยเรื่องพ้นทุกข์ในปัจจุบันก็คือเข้าใจถูกเนี่ยเห็นถูกอย่างเนี้ยไม่มีเรามีแต่สังขารครับสัญญาณไม่ดีครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือเมื่อกี้ที่ได้ฟังที่หลวงพ่อพูดว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดนึกปรุงแต่งการการที่จจะเป็นเรื่องโยนิโสมนัสิการะหรือว่ามีลักษณะของการพิจารณาไตร่ตรองหรือการที่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเป็นส่วนของสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับซึ่งวันนี้น้องจีน่านะครับได้มาพูดถึงว่าชีวิตแต่ก่อนกับชีวิตขณะนี้ก็มันคนละขนากันแล้วซึ่งสมัยก่อนนะครับก็จะจะไม่รู้เลยว่า ลักษณะที่เป็นไปโดยเฉพาะโลภโกรธหลงลักษณะของการคิดนึกปรุงแต่งเรื่องขันท่าเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นฝ่ายของสังขารซึ่งในหัวข้อวันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติที่ปรากฏส่วนอีกอันนึงซึ่งเป็นวิสังขารหรือใต้ใจหรือว่าจิตเดิมแท้หรืออะไรก็ได้นะครับที่มาเรียกตรงนี้ว่ามาเห็นมาเห็นสภาพตรงนี้อีกก็คือวิสังขารหรือธรรมชาติที่ไม่ปรากฏซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากทําให้คือเหมือนกับว่า เรื่องราวพระพุษษะทธศาสนาที่ที่มากมายเยอะแยะหรือว่าเรียนกันไม่จะไม่มีวันจบสิ้น ก, น ก, ก็ก็สั้นลัดตรงก็คือได้รู้เลยว่าสิ่งที่พูดได้นะครับมันเป็นสังขารสิ่งที่ที่พูดไม่ได้ก็คือวิสังขารก็ตรงนี้จะมีประโยชน์และทําให้มีความเข้าใจลึกขึ้นอยากจะถามน้องจีน่าว่าไอไอความรู้แบบนี้นะครับมันมันสามารถที่จะทําให้จีน่าเห็นเห็นถึงความรู้แบบนี้ถึงประโยชน์ของมันที่จะพ้นจาก การเวียนไหายตายเกิดได้ยังไงบ้างครับก็พอเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการพิจารณาความไม่เป็นเราคือเรารู้อยู่แล้วว่าทุกๆสภาวะที่มีความเกิดเกิดขึ้นนะคะหรือดับไปมันมีเกิดมีดับซึ่งมันมันทำงานกันอยู่ตลอดเวลาในสังขารของเราะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้หลุดพ้นตรงจุดตรงนี้อะคะ่ะเราก็ยังคงแบบได้ได้อยู่ในได้รับ ประสบการณ์ความทุกข์ถึงแม้นว่ามันจะเป็นความสุขแต่ความสุขมันก็ไม่ได้มีตลอดนะคะมันก็ยังคงแบบว่าอาจจะเป็นความทุกข์อยู่ดีคือแต่พอเราได้ฝึกฝนนะคะฝึกฝนรวมถึงแบบประสบการณ์จากการทํางานตรงนี้มามากมายแล้วมันก็เหมือนกับว่าคือทุกคนนะ่ะที่มาแก้ปัญหาชีวิตหรือมาฝึกฝนจิตต่างคนก็ต่างที่จะหลุดพ้นออกจากความทุกข์อะคะ่ะความทุกข์จากความขาดแคลนความทุกข์จากความยากจน ความทุกข์จากความไม่ถูกไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่รักหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะซึ่งปัญหามากมายมันก็เป็นความรู้สึกเกิดดับอยู่ในอยู่ในสังขารแต่เพียงแค่ว่ า, ามนุษย์ผู้ใดที่แบบหรือตัวจีน่าเองนะคะได้มีโอกาสที่เข้ามาฝึกฝนและเข้าถึงอ่าเข้าถึงธรรมะชั้นสูงตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันรับเลยะคะ่ะ คือสังขารมันก็คือกองทุกใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีทุกสภาวะแบบร้8ยแปอ่ะมันอันนี้ดับอันนี้ถอดถอนแล้วมันอันน้นก็ยังแบบโอ้โหไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันก็มันเหมือนกับเราตอนนั้นก็เรียนรู้นะคะเพื่อที่จะถอดถอนตัวเองมันเริ่มจากการเรียนรู้เรียนรู้ก่อนเรียนรู้ในการที่เราจะถอดถอนตัวเองนะคะถูกรูปแบบอะคะ่พะพอถอดถอนตัวเองได้แล้วก็เริ่มรู้สึกสงสารผู้คนก็เลยจึงมาถอดถอน มันทําเป็นแบบทำเป็นงานลราถอดถอนให้กับผู้คนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เกิดความสุขว่าเราได้ช่วยตัวเราเองเราได้ช่วยผู้คนด้วยแต่เสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่า3มปีมานี้ค่ะหนูถอดถอนตัวเองนะคะสภาวะเนี่ยรวมถึงช่วยเหลือผู้คนด้วยจนปัจจุบันก็ยังรับรู้ได้ว่ายังมีสภาวะที่ยังหลงเหลือให้เราเรียนรู้อยู่นะคะหมายหมายความว่าความเกิดความดับที่เป็นเป็นความทุกข์อะคะ่ะมันมันมันอยู่ในกองสังขาร น, นะคะ แต่คาดว่าน่าจะเหลือน้อยลงนะแต่มาต้องใช้ปัญญาในการไตรตรองพิจารณาดูค่ะเพื่อเพื่อเป็นการถอดถอนตรงนั้นแต่พอวันนี้อะค่ะปัจจุบันในขณะนี้ค่ะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของหลวงพ่อแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับครูบาอาจารย์พระาจารันพลหลวงตาเสริมแล้วก็ อ, อาจารย์จอมนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่แบบมีความเมตตาที่ดีต่อต่อต่อจีน่ามากๆอะค่ะมันทําให้โอ้โหจีน่าก็รับทุกอย่าง นะคะรับทุกอย่างแล้วแล้วก็จนจนจนแบบว่าจนพอเรามาเข้าถึงคําสอนตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจความจริงแท้ๆเลยค่ะว่าจริงๆความทุกข์ที่เราจะหลุดพ้นนั้นได้ก็คือหลุดจากสังขารเพราะว่าสังขารเนี้ยมันมั น, ม, นมันมีความเกิดดับอยู่ใน น, นี้ความอยากอุสรพัทรูปแบบหรือความอะไรสารพัดที่มันเป็นความรู้สึกเกิดดับ บางคนเรียกว่าวิญญาณบางคนเรียกสภาวะบางคนเรียกกระแสะอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ล้วนแล้วมันก็เป็นความเกิดดับที่เป็นความทุกข์กันะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะพิจารณาจนมาถึงระดับระดับตรงนี้นะคะระดับที่พิจารณาไม่มีความเป็นเราหลงเหลืออยู่ค่ะอันนั้นคือมันตัดแบบตัดออกไปทั้งยวงตัดไอ้สิ่งที่มันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นตรงนั้นได้ะคะ่ะซึ่ง ซึ่งมันจริงๆมันง่ายอะค่ะมันง่ายสําหรับผู้ที่เห็นที่ที่ที่ที่ทอ่านรู้ถึงใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะสำหรับผู้ที่ที่เขากําลังอยู่ในช่วงฝึกฝนเพื่อที่จะเข้าถึงสิ่งนี้เพราะว่ามันก็มีบททดสอบมากมายเนี่ยบางทีไปติดกับดักตรงนั้นบางทีไปหลงตรงโน้นตรงนี้เพราะกว่าเจน่าจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้อะ่ะมันเหมือนตัวเองก็เคยไปติดตัวรู้อะค่ะเรารู้ว่าในสังขาร มันมีสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็สิ่งสิ่งที่รู้แล้วก็สิ่งถูกรู้เราจะน่าเคยติดกับอยู่ตรงตัวรู้อะเพราะเราเข้าใจว่ารู้นั้นอะมันเป็นรู้ที่จะเป็นปัญญาที่จะถอนถอนความทุกข์ออกจากออกจากชีวิตของเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นรู้ที่ไม่เป็นความจรงิงแต่มันเป็นความจริงในแค่ะระดับสังขารเองนะคะดังนั้นพอพอมามาได้มาไ ด, าได้ได้มาศึกษาหรือได้มาฟังคลิป อาจากหลวงพ่อออนนะคะจากที่พระอาจารย์พลอยได้ส่งให้ฟัง<ม>หรือพี่เพลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์จอมเนี้ยค่ะก็เลยถึงได้แบบว่ามันมันนิดเดียวเองอะค่ะแค่แบบจริงๆมันนิดเดียวเองเราไม่ต้องเราเหมือนกับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรมากมายหลายอย่างคือพอมันมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันแค่ทิ้งทิ้งความเป็นเราซะทิ้งความแบบคือก่อนหน้านั้นก็ มีความรู้สึกว่าเราเราอยากที่จะเอาอัตตาออกไปแต่คําว่าอัตตานั้นนะ่ะเราไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าอัตตาที่หมายถึงนั้นมันคือทุกๆสภาวะที่มีความเกิดแล้วก็ความดับอะไรที่มันเป็นการเกิดนั่นคืออัตตาทั้งหมดเลยอะไรที่เป็นอารมณ์มันก็คือเป็นเป็นอัตตาแล้วเราถ้าเราแบบเราไม่ค่อยๆแบบเอาตัวเราออกจากความเป็นอัตตาอ่า ในเบื้องต้นตรงนั้นก่อนอ่ะมันก็มันก็นกสําหรับตัวจีน่านะคะมันก็น่าจะยากในการที่จะเข้าถึงในจุดที่แบบโอ้เราจะแบบทิ้งความเป็นเราออกไปเสียโดยการพิจารณาดูดูว่าเรานี่คือสังขารอ่ะมันคือความปรุงแต่งอ่ะแล้วพอเราอ่อกลับมาเป็นบุคคลที่แบบเหมือนกลับมาเป็นมาเป็นธรรมชาติที่มองเห็นมองเห็นตัวเราเคลื่อนไหวตัวเรามันมีความรู้สึก ตัวเรามันมีความคิดตัวเรามันพูดอย่างเงี้ยค่ะมันรู้เลยว่ามันก็คือคือมายาทั้งหมดเลยอ่ะมันพอพอพอจกักจักเมื่อเรามองมองตัวเองย้อนกลับไปในอดีตนะคะมันก็เลยจึงได้เห็นความขลังว่าค่ะความความไม่รู้ของตัวเองอ่ะมันก็เกือบหลงที่จะติดกับดักมากมายอ่ะค่ะแต่พอวันนี้มันมันก็ต้องขอบคุณขอบคุณหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงขอบคุณตัวเองด้วยที่สามารถที่จะ ทิ้งสิ่งยึดติดต่างๆออกไปได้มากมายจนสามารถที่จะเปิดใจยอมรับแล้วจึงได้เข้ามาคนมามาพบความจริงตรงนี้ค่ะค่ะก็กลับขอบพระคุณคณรูบาอาจารย์ค่ะอนโมทนาค่ะอสาธุนะทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อเป็นเป็นหน้าม้าเนาะสมมุติว่าหลวงพ่อไม่เข้าใจหลวงพ่อก็จะถามโยมจีน่าว่าแล้วทุกวันเนี้ย เรายังออกจากตัวเองไม่ได้เนี่ยยังทําไม่เป็นเลยอ่ะเอาใช้คําว่าผมนะเพ อ, อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเป็นแบบญาติโยมแล้วกันบอกพี่จีนา่าผมอะ่ะตอนเนี้ยผมยังออกจากตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะแล้วจะแนะนําผมว่ายังไงดีเพื่อจะได้ออกจากตัวเองได้โยมจีน่าจะแนะนํำยังไงดีอ ะ, อ ะ, อะกับนวัตการค่ะก็แล้วในขณะเนี้ยใครเป็นผู้ที่ถาม ได้ยินไหมคะหลวงพอ่ออาอาจารย์เป็นหลวงพ่อเป็นค<พ> น, นถามเออในขณะ น, นี้ใครเป็นผู้ที่ถามอ่าหลวงพ่อรู้ตัวว่าหลวงพ่อเป็นคนถาม <c oughs> เอออ่าโอเคไล่ไปรู้ตัวนะว่าหลวงพ่อเป็นคนถามอ่ะแล้วยังไงต่ออ่าแล้วก็แล้วก็ไปไม่เป็นค่ะหลวงพอ่อ <c oughs> คือไอ้ตรงนี้มันมันยากมันเป็ น, นเป็นจุดที่ยากมากในการที่จะแยกระหว่างไอ้ตัวเรากับผู้ที่รู้ตัวเราอ่ะมันยากแต่ทีนี้หลวงพ่อเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยมันมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ปรากฏอะ่ะมันเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีตรงเนี้แหละมันเป็นโจทย์ที่ทําให้เหมือนกับว่าต้องแก้ ปริศนาธรรมนี้ให้ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นคนเห็นได้ยังไงเพราะในปัจจุบันตอนนั้นนะะก็ยังมีตัวเราเป็นผู้เห็นอยู่แล้วมันเหมือนกับว่ายืนยันร้อยเปอร์ซบอกเนี่ยเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนเห็นใครจะบอกว่าไม่มีผู้เห็นได้ยังไงก็เราเป็นคนเห็นตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันมันยังไม่มีปัญญาแต่จนกระทั่งว่าเราก็มามองอะไรบางอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าลองดูนาฬิกาดิ เห็นไหมมันลูกตุ้มอ่ะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนาะเป็นสิ่งแค่เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีหลวงพ่อก็ไปยืนดูแล้วก็มาเถียงในใจมันไม่มีผู้เห็นได้ไงก็เราเนี่ยเราเราเราเราคนเห็นเนี่ยเรายืนมองอยู่เนี่ยเรายืนแลอยู่เนี่ยเรายืนดูอยู่เนี่ยเรายืนตรงๆอยู่เนี่ยมันรู้เราหมดแล้วนะตอนนั้นนะแต่มันก็ยังเหมือนกับว่ามันยังเป็นเราเป็นผู้เห็นอยู่แต่พอดูไปดูมาดูไปดูมามันก็ เหมือนกับว่ามันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นนะนะเหมือนกับว่ามันแยกแยะได้ว่านาฬิกาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งตัวเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ในช่องว่างระหว่างนาฬิกากับตัวเราที่ยืนเนี่ยมันมีระยะใช่ไหมมันมีช่องว่างแล้วก็พอไปมองว่าโอ้มันมีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ยืนเป็นผู้มองเป็นผู้ที่ไม่เป็นนาฬิกาเนี่ยคือมันจะเข้าใจตรงนี้เลยพอเข้าใจปั๊บตรงนี้แหละมันเข้าใจคําว่า การเห็นเนี really we hmm. Again, man, uh ่ยม er. so ีอยู่แต่ไม่มีผู้เห็นมันลบล้างไอ้ความเห็นผิดแบบเหมือนว่าครั้งใหญ่เลยความเห็นผิดว่าเราเคยเป็นผู้เห็นเราเคยเป็นผู้ดูเราเคยเป็นผู้รู้เราเคยเป็นผู้ใจผู้เข้าใจสุดท้ายเนี่ยตัวเราทั้งหลายเนี่ยตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะที่มันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดก็เลยรู้ว่าอ้าวเนี่ยพ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แบบนี้แหละพ้นทุกข์เพราะเห็นตัวเรานี่แหละว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารนะสังขารทั้งยวงเลยอ่ะเอ ต, one, <S <S ตัวเราทั้ง cient, ตัวทั้งเป็นผู้พูดผู้คิดผู้รู้ผู้เข้าใจผู S <S <S <S <S <S <S <S <S ้ไม่เข้าใจผู้โง่ผู้ฉลาดมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่เป็นสังขารมันมันพ้นไปแล้วแล้วมันไม่ใช่ตัวเราล้านเปอร์เซ็ตไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเรามันเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราล้านเปอร์็นตเพราะมันมารู้ตัวเราก็เลยเข้าใจเรื่องความพ้นทุกความเรื่องความทุกเรื่องความพ้นทุกว่ามันอยู่ที่ตรงนี้แหละ ขณะเดที่รู้ตัวเราเนี่ยรู้ด้วยปัญญาแบบเนี้มันเป็นทุกเอ้ยมันเป็นพ้นทุกทุกคราวเลยแล้วก็การพ้นทุกเนี่ยมันจะรู้เลยว่าต้องพ้นเดี๋ยนี้ไงเนี่ยถ้ารู้ตัวอยู่เดีย๋ยนี้มันก็พ้นแล้วเนี่ยอพ้นทุกเดีย๋ยนี้พ้นทุกเดีย๋ยนี้หลวงพ่อก็เลยทุกวันเนี้ยเวลาพูดคุยธรรมะเหมือนกับว่าจะเอาไว้พ้นทุกแต่ปัจจุบันไงนะเออปัจจุบันอย่างเดียวเพราะว่ามันเข้าใจแล้วไง แต่ทีนี้ส่วนคนที่ไม่เข้าใจเนี่ย hmm. เราก็ต้องใช้คำถามหรือชวนคุยแบบนี้แล้วแล้วก็ชี้ตรงให้เขารู้จักแต่คนที่มันมีอัตราสูงอ่ะไม่ยอมรู้จักไม่ยอมรู้จักก็ <im ani> เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เนาะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แล้วก็ความรู้แบบเนี้ยเราความรู้แบบเนี้ยเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ให้เหมือนกันวว บ, บว่าให้ให้มันเป็นให้ข้อมูลมานะแต่ว่าปัญญาเวลามันเกิดเองอ่ะครูบาอาจารย์สอนให้เกิดปัญญาไม่ได้ ปัญญามันจะต้องเกิดเองเอหลวงพ่อก็เลยเข้าใจตรงนี้แล้วก็ทุกวันเนี้เวลาอะไรก็ชอบเมกคนไงชอบเมกให้หัวทิมเลยบางคนเมกแรกๆก็เคืองบ้างโกรธบ้างแล้วก็เลิกคบไปเลยไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วแต่บางคนเออมันต้องมีอะไรดีมั้งอะไรเนี่ยยอมให้เมกแล้วก็สุดท้ายก็เออก็เข้าใจมีปัญญาก็หลายคนอยู่